เสียงย่ำเท้าใบาไม้ในดงหนาพลานหนุ่มหน้าใหม่เดินตามพลานผู้เท่าอย่างกระฉับกระเฉงวันนี้เขาดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยเหตุที่พลานเท่าอนุญาตให้ตามขึ้นห้างยิงสัตว์เป็นครั้งแรกทั้งข่าวสารเกลือน้ำพลิกตาแดงยัดกระบอกไม้และลูกปืนถูกจัดเตรียมมาจนเต็มมัตตาหลังจากเดินมาหลายชั่วโมง พลานเท่าผู้นำหน้าก็หยุดเดินแล้วยืนนิ่งเหมือนพิจารณาอะไรบางอย่างหน้าแปลกที่ผู้เท่าหายใจทอดยาวสม่ำเสมอมีอาการเหนื่อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผิดกับเขาผู้ตามหลังที่ตอนนี้หอบจนหน้าอกยกขึ้นยกลงบนต้นนี้แหละเหมาะดีดินโป่งมันมีอยู่ใกล้ๆนี่พวกสัตว์ทั้งหลายคงลงมากินตอนกลางคืนอ้าว ไปตัดไม้มาทําห้างชักช้าแต่วันจะตกดินเสียก่อนยังไม่ทันจะหายเหนื่อยก็ต้องรีบไปตัดไม้เสียแล้วชะร้อยถ้าทําเสร็จคงต้องนอนสลบสไหลยอยู่บนห้างด้วยความเหนื่อยอ่อนไม่ทันจะได้ยิงสัตว์อย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปตัดไม้พลานผู้เท่าก็เอาผ้าขาวมา้ามาขมวดแล้วผูกเป็นก้อนกลมๆแล้วโยนขึ้นโยนลงทําอะไรหน่ะพ่อเท่าอ้าว เองนี่ไม่รู้อะไรรู้ไหมป่ากลางคืนนันตรายแค่ไหนที่ข้าโยนผ้านี่ก็เพื่อจะดูว่าเสือมันกระโดดได้สูงแค่ไหนจะได้ผูกห้างให้สูงขึ้นไปขืนสุ่ม 4, สี่สุมห้าทำไม่ต่ําเดี๋ยวก็โดนมันลากลงไปกินกันพอดีไปไปอย่าถามมากไปตัดไม้มาไม้ไผ่และไม้เนื้อตันถูกตัดมากองสองคนหนุ่มเท่าช่วยกันลําเลียงขึ้นต้นไม้ด้วยผูกเชือก แล้วดึงขึ้นไปคนหนึ่งอยู่ข้างบนทำหน้าที่ทั้งดึงและรับใช้เวลาอยู่พักใหญ่ๆจึงลำเลียงไม้ขึ้นมามากพอที่จะเริ่มผูกทำห้างพลานเท่าปีนตามขึ้นมาพร้อมไม้ตอกเน็มเอวตอกคือไม้ไผ่เส้นบางๆที่ผ่าตามยาวราวสอกกว่ า, ก, วากลายเป็นเชือกสารพัดประโยชน์ใช้มัดอะไรก็ได้ที่อยากจะมัดถ้าไม่เกินที่เส้นตอกจะโอบถึง เมื่อพลานเท่าขึ้นมาถึงก็แบ่งเส้นตอกให้คนหนุ่มชื่อกันมัดนั่งร้านสักพักใหญ่ๆ ห, ห้างยิงสัตว์ก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้รอคอยให้ถึงเวลากลางคืนเท่านั้นเดือนแจ้งแสงขาวศาสตร์ลงยอดไม้ยามค่ำคืนเป็นกิ่งเป็นง่าเป็นเงาอึมครึมคล้ายสัตว์คล้ายคนเอ็นไปเอ็นมาชวนจิตใจพลานใหม่ให้หวันไหวไม่ใช่น้อย พลันเสียงพู้เท่าก็ทำให้เขาต้องตกใจอีกครั้งมันแปลกนะักปกติเวลานี้สัตว์ต้องลงมากินโป่งดินบ้างแล้วตั้งแต่ก่อนมืดจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรสักตัวแม้แต่เสียงจิ้งเรีดก็ไม่ได้ยินมันเงียบผิดปกตินะคนหนุ่มนั่งฟังไม่ขานตอบใดๆแต่เขาเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ด้านล่างโอ้ย ข้าเจ็บท้องเหลือเกินพี่เหยือข้าเจ็บท้องข้าจะคลอดแล้วลงมาช่วยข้าทีพี่เหยเสียงโหยหวนเจ็บปวดน่าสงสารดังขึ้นมาพรานหนุ่มจำได้ว่าเป็นเสียงของเมียตนนั่นเสียงเมียข้าพอเท่านั่นเมียข้ามาตามมันกลางร่มแดงเข้ามามันท้องใกล้จะเกิดแล้วพูดไม่พูดเปล่าพลานหนุ่ม ทำท่าจะไต่ไม้ลงไปตามเสียงภรรยาเดี๋ยวนั้นให้ได้หยุดอยู่ยนี้เองฟังข้านั่นไม่ใช่เมียเองกลางป่าลึกขนาดนี้ใครที่ไหนเขาจะมาตามถึงได้เหมือนหูของเขาจะไม่ได้ยินเสียงของพ่อเท่าเสียแล้วเหมือนโดนอำนาจอะไรบางอย่างครอบงำเขาทำท่าจะลงไปให้ได้มือหนึ่งของพ่อเท่ารั้งแขนเขาไว้ ตาก็ไปเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวตรงมุมห้างมันคือตะขาบหลายสิบตัวกำลังไต่ย้เวเย้อเข้ามาพลานเท่าตกใจความีดจะยกขึ้นฟันแต่ด้วยสังหรณ์บางอย่างจึงลดมีดลงโอ้ยข้าเจ็บเหลือเกินพี่ลงมาหาข้าทีพลานหนุ่มได้ยินเสียงภรรยาก็ยิงดินรนจะลงไปให้ได้ ลำพังแค่กำลังของผู้เท่าคงไม่อาจต้านทานเขาได้นานมันเป็นคนหนุ่มเพิ่งออกเรือนใจใมันยังไม่ตั้งมั่นอำนาจอย่างอื่นจึงกลุมใจมันได้ง่ายกับข้างล่างอย่างเดียวนั้นพอไหวแต่มาสองทางแบบนี้เห็นทีจะไม่รอดห น, นี้ชะลอยจะพากันมาตายเสยแล้วท่ามกลางความตึงเครียดและ ว, วิตกกังวลของพลานเท่า ก็มีเสียงนกตัวหนึ่งมาร้องอยู่บนหัวว่ายิงจิกจ้องยิงจิกจ้องเสียงนกบอกให้ยิงยอดรม่มคงเป็นจุดอ่อนของมันมือไวเท่าความคิดทิ้งแขนจากพลานหนุ่มก็คว้าปืนยาวขึ้นประทับบาเลงตรงยอดของรม่มไม่รีรอพลานใหม่ตะกายจากห้างลงไปครึ่งต้นไม้แล้วตระขาบใตมาถึงเท้า หลังเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวทุกอย่างเหมือนจะสงบลงไม่มีเสียงเรียกไม่มีเสียงนกไม่มีตะขาบพรานหนุ่มไต่ขึ้นห้างมาหน่าเร้อรา้าแล้วถามว่าผมเป็นอะไรไปเกือบตายไปแล้วไม่ไละเองนอนซะเดี๋ยวพรุ่งนี้เองก็จะได้รู้รุ่งสางตะวันยกเสียงไก่ป่าขันอยู่เจื่อยเจ้าสรตวสัตว์น้อยใหญ่ส่งเสียงตามวิสัยเป็นปกติเหมือนอยู่คนละป่ากเมื่อคืน เหมือนไม่ใช่ป่าเดียวกันตรงโคนไม้ตายห้างเสือตัวทั่วัวนอนตายตัวยาวเหยียดกลางหน้าผากมันมีรอยกระสุนเข้าไปฝังในขนาดตายแล้วยังดูน่ากลัวน่าเกรงขามหากไอ้หนุ่มนี่ลงไปเมื่อคืนคงไม่ใช่แค่มันที่จะตายนี่เสือเย็นไงละ่ะพลานหนุ่มยืนอึ้งกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทําไมมันกลายร่างเป็นเมียข่ามายืนร้องเรียกได้ละ่ะ มันรู้ว่าเมียเองท้องนะส่สิมันรู้จุดอ่อนของเองมันถึงได้จำแรงร่างเป็นเมียของเองล่อหลอกเองลงไปให้มันงาบพลานเท่าพูดจบ ก, ก็นึกขึ้นได้ถึงอะไรบางอย่างที่ค้างขาใจตอนกลางวันเองมัดต่อวนขวาใช่ไหมพลานเท่าถามด้วยความสงสัยใช่มีอะไรอย่างนั้นเหรอพูทธเอาตะขาบเมื่อคืนไงล่ะมัดต่อกเกี้ยวไปทางขวามักอาถันเสือเย็นทาต่อเกี้ยวขวา หลายเป็นตะขาบคนแต่เก่าก่อนจึงให้มัด ต, ต่อเกี้ยวซ้ายดีนะที่ข้า ย, ยั้งมือไว้ทันถ้าฟันตะขาบก็เท่ากับฟันตอกถ้าตอกผูกข้างขาดเองกับข้าคงได้เป็นอาหารมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะเป็นไงทีนี้เข็ดหรือยังอยากจะตามมาดีนะักเจอของดีไหมล่ะแค่นี้ยังไม่เข็ดหรอกพ่อเท่าฉันก็อยากเก่งเหมือนพ่อเท่าบ้างคราวหน้าขอตามมาอีกนะถ้ามากับเอง ข้าไม่มาแล้วโว้ยไอตัวซวยไปไปไปเก็บข้าวของกลับบ้านอะไรก็ไม่ได้ยังมาเจอเสือเย็นนี่อีกเมื่อสัมภาระถูกเก็บเรียบร้อยพลานเก่าใหม่ทั้งสองกอกเดินทางกลับสู่หมู่บ้านทว่าคล้อยหลังลาวสิบห้าวาเท้าหนาๆขนลายเหลืองดำกำลังยืนคล่อมรอยเท้าของทั้งคู่มันก็หัวลงดมฟุฟิ ต, ฟต แล้วเ็เหยาะเท้าไปตามกลิ่นและรอยที่มันรู้ว่าอยู่ไม่ไกลเห็นทีว่าคงถึงเวลาของพลานทั้งคู่ที่จะต้องพบเจอกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าแล้วเป็นแน่พลานเท่าเดินนาหน้าไปสักครู่เดียวเท่านั้นก็ฟังเสียงและอะไรบางอย่างที่มันผิดไปจากปกติพลานหนุ่มจ้องมองหน้าพลานเท่าด้วยสีหน้าท่าทางที่เหมือนรู้ว่า จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในไม่ช้ามึงเดินตามหลังกูมาเลยพลานเท่าพูดด้วยสีหน้าที่มีความวิตกกังวลไอเสือนี่มันร้ายจะเอาพวกกูให้ได้เสียนี่แล้วครั้นเสียงพลานเท่าพูดจบก็ปรากฏร่างใหญ่ลายเหลืองดำที่อยู่ห่างออกไปในพุ่มไม้ด้านหลังไม่ไกลนักผู้เท่าบริกรรมคาถาอยู่พักหนึ่งใช้กระสุนเงินอาคมบรรจุเข้าในรังปืนแล้วเอาขึ้นประทับบา เสียงปืนดังสนั่นป่าเสียงวิ่งพลวดกระเจิงออกไปจากตรงนั้นไปมึงวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆไปให้ถึงโป่งที่มันโล่งๆให้ไวเลยพลานหนุ่มวิ่งนําหน้าพรานเท่าแบบไม่คิดชีวิตในใจก็คิดแล้วว่าคงไม่ได้กลับไปเห็นหน้าลูกเมียเป็นแน่แท้วิ่งมาได้สักพักใหญ่ผ่านโป่งดินใกล้กับหมู่บ้านพลานหนุ่มรู้สึกโล่งใจมากเฮยถามพลานเท่าไปว่านี่มันอะไรกัน พลานเท่าก็ตอบกลับมาว่ากดตัวเมื่อคืนนั่นแหละที่เห็นมันนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ห้างเมื่อเช้ากูคิดว่ามันตายไปเสียแล้วที่แท้มันแกล้งหลอกพวกกูลูกกระสุนปืนเมื่อคืนก็ไว้ใช้ยิงสัตว์ธรรมดามันจะไประแค่ราคายได้ยังไงพลานทั้งคู่กลับออกมาจากป่าพลานหนุ่มก็ได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ไปพบเจอมาให้คนในครอบครัวได้ฟังหลังจากนั้นเป็นเวลานานแล้ว ที่พลานหนุ่มไม่ได้เข้าไปในป่าลึกหาของป่าล่าสัตว์กินก็หาแค่ช่วงตีนเขาเท่านั้นส่วนพลานเท่านึกแล้วว่าที่รอดชีวิตมาครั้งนั้นเพราะวิชาอาคมที่ได้เราเรียนมาจากผูพุทาภูแก่ในสมัยเข้าป่าไปล่าสัตว์ตอนหนุ่มและเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกเล่าต่อๆกันมารุ่นสู่รุ่นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ